Mm hmm.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 ก็ไปทูลให้ผู้เจ้าเนี่ยช่วยส่งวิญญาณพ่อน่ไปสวรรค์ด้วยพระพุทธองค์ก็ไม่ปฏิเสธนะแล้วก็บอยให้เขาเนี่ยให้พรามคนเนี่ยไปหาหมอดินเผามาสองหมอ้อหม้อหนึ่งใส่ขวดให้เต็มเลยอีกหม้อหนึ่งก็ใส่เนยนะคนอินเดียนี่เขาอ่ากินเนยกันเป็นอ่าธรรมดา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 นะลอยขึ้นมาแล้วพระเจ้าก็บอกพราม์ว่าให้ไปหาพราหมณ์ที่มีชื่ออนะผู้ทําพิธีเนี่ยมาช่วยมาทําให้กรวดเนี่ยมันลอยขึ้นมาเหนือน้ํานำะแล้วก็ให้เหนยเนี่ยมันจมลงไปในน้ําพราหมณ์ก็บอกเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่ากรวดยังก็ต้องจมน้ํำสิส่วนเนยก็ต้องลอยน้ํา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 ไม่มีใครนะจะชดให้ลงไปสู่อาบายหรือนรกได้สรุปก็คือผู้เจ้านะนอกจากจะไม่ได้ทำตามคำขอของเขาแล้วก็ยังชี้ให้เขาเห็นว่าคนเรานี่จะไปอาบายนะหรือว่าไปสวรรค์ไปสู่สุคติเนี่ยหลังตายแล้วเนี่ยนะมันไม่มีใครช่วยได้นะ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 ถ้าจิตเป็น อ, อกุศลนี่ก็ไปอาบายได้โดยเพอถ้าจิตสุดท้ายเนี่ยนะเป็น อ, อกุศลอันนี้ถ้าสูงอะคือเป็นเรื่องของกรรมไขรกรรมมันนะอันนี้อระเจ้าก็ตัดไวลาแล้วก็สวดอยู่บ่อยๆนะเรามีกรรมเป็นของตนนะกรรมมีกรรมเป็นของตนก็หมายความว่าเราทำกรรมใดไว้ก็ต้องรับผลแห่งกรรมนั้น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 ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เลืออยู่เย็นเป็นสุขนะนรกมันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละนะไม่ต้องรอหลังตายแล้วพระอาจาเรียกว่ามีนรกชนิดหนึ่งเรียกว่าฉะผัสสายตันนิ ก, กันนรกนะหมายถึงนรกทั้งหที่เกิดจากผัสสะนะฉะนี่มแปลว่า6นะผัสสายตันนิกกันนรกนรกที่เกิดจากผัสสะ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 ไอ้นโลกข้างหน้านี่ไม่รู้นะแต่นโลกในปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็รับรู้ได้ถ้าเกิดทำชั่วนะเดีย๋ยวว่าแต่ทำชั่วทางกายวาจาเลยแค่นึกในใจนะก็ทุกข์ล้ไอ้นึกในใจนี่ไม่ได้หมายถึงแค่การมุ่งร้ายทำร้ายหรือว่ามีจิตคิดเปียาบาทนะถ้าวางใจไม่เป็นเนี่ยไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะที่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 เท่านั้นวางจิตวางใจไม่ถูกนะก็ทำให้จิตมันพลัดเข้าไปในนรกได้เหมือนกันอันนี้อย่างที่บอกนะว่าเราทั้งหลายเนะี่ยมีการเป็นของตนนะมีการเป็นของตัวนะความหมายเนืงอคือว่าถ้าอยากมีความสุขความเจริญหรือว่าตายแล้วได้ไปสวรรค์ก็ต้องทำความดีไม่มีใครจะมาช่วยให้ไปสวรรค์ได้ถ้าเกิดว่าเราทำชั่ว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 ยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถจะชดให้ยิน ญ, ญาณนะที่อยู่ในนรกเนี่ยมันพ้นจากนรกได้นะจนกว่ากรรมชั่วหรือวิบากนะมันจะหมดไปคราวนี้เนี่ยเรามีกรรมเป็นของตัวเนี่ยนะมันยังมีความหมายว่าเวลาลูกนะเกิดความทุกข์พอไปทำชั่วนะ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 ที่มันผิดหลักอนามัยเนี่ยไ่เยายวนลูกเนี่ยนี้ทำได้ช่วยได้นะช่วยให้ความอ้วนนี่ลดลงได้นะแตอ่อยู่ที่เจ้าตัวนะเจ้าตัวถ้ยงกินแต่อาหารที่มันมีไขมันมีเนื้อนะมีน้ำตาลเนี่ยแม่ช่วยยังไงก็มันไม่มีประโยชน์นะตาบใดที่ลูกยังไม่หยุดกินอาหารแบบนั้น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 ชักชวนให้พระเจ้าประสิธิ์ที่ก่สนนะหันมาทําบุญทําทานหันมามีศรัทธาในพระรัตนตรัยนะแต่ไม่ถึงกับระดับพระเจ้ า, าพิมพิสารนะเจ้าพิพิสารนี่ศรัทธามาจนกระทั่งเข้าถึงธรรมเป็นพระโสดาบันนะแต่ว่าพระเจ้าประสิทธิโกศอ น, นี่ยังไม่จิตใจยังเหมือนบุตรชนยังมีความกลัวความหวาดระแวงแล้วก็มีความเพี่ยมโหดด้วยนะขนาดฆ่าฆ่าเพื่อน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 นางมริกาทีวีก็ช่วยให้พระเจาประสิทิโกศน์หันมาทำบุญนะสร้างกุศลได้เยอะทีเดียวและนางมริกาทีวีก็เป็นที่รักของพระเจ้าประสิโกศนมากแต่วา่าเธอตายตั้งแต่ยังสาวนะอายุยกกี่สิกว่าสามสิกว่าก็ตายแะ้วบอกว่าตายแล้วนี่ลงนรกนะลงนรกลงนรกก็เพราะว่าก่อนจะตายเนี่ยน ะ, ะจิตใจเนี่ยนึกถึงความผิดที่ได้ทำเอาไวนะ้ เป็นความผิดเล็กๆน้อยๆคือไปโกหกพระเจ้าเปรตที่โกศสนในเรื่องที่มันน่าอับอายนะเป็นเรื่องที่น่าอับอายนะก็พระเจ้าเปรตที่โกศสนก็เห็นนะแต่ว่านามอเมริกาทีวีก็โกหกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่พระเจ้าเสรตที่โกสสนเห็นพระเจ้าเสรตที่โกศสตาฟ้าฟางหรือว่าอเห็นคาดเคลื่อนไป พรเจ้าปเสนีโกเสิ่ก็เชื่อนะรอดตัวไปแต่ตอนนางจะตายเนี่ยเป็นนึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วก็รู้สึกจิตเศร้าหมองที่โกหกนะมุสาว่าปล่อยวางไม่ได้นะก็เพลินไปจิตสุดท้ายพอดีนะอาสนกรรมเนี่ยนะเป็นเป็นกรรมที่ให้ผลทันทีนะถ้าจิตเป็นอกุศลก็ไปอบายทันทีถ้าจิตเป็นกุศลก็ไปสุขติทันทีเหมือนกัน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 ตรงสี่แยกเนี่ยถ้าไฟแดงเปลีป่ยนไปไฟเขียวเนี่ยไอ้คันที่อยู่ใกล้สัญญาณไฟมากที่สุดเนี่ยมันก็จอะก่อนไม่ว่าจะเป็นรถจั ก, กรยานหรือว่ารถสามล้อตุ๊กๆุกเนี่ยมันต้องออกมาก่อนนะแต่ละงจากนั้นแล้วเนี่ยนะไอ้รถคันหลังเนี่ยถ้าหากว่าเร็วกว่าก็จะแซงได้นะเช่นรถเกง๋งนะรถมอเตอร์ไซค์หรือว่า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 ไม่สามารถจะยังรู้ได้เพราะเราไม่มีใครลูหรกหลอกว่าตอนใครตายเนี่ยนะจิตสุดท้ายเขานึกถึงอะไรนะคนธรรมดาไม่รู้หรอกนะจะใช้เหตุใช้ผลว่าทาดีแล้วต้องไปสวรรค์นะอันนี้มันไม่แน่มันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่า น, นั้นเยอะนะซึ่งจิตของคนเราหรือการใช้เหตุใช้ผลคนเราเนี่ยมันไม่สามารถจะยังรู้เข้าถึงได้นะตอเมื่อว่ามีจิตที่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 พระเจ้าเนี่ยก็รู้ว่าถ้าต่อไปนะว่านางมิเรกาเทวีลงนรกเนี่ยนอกจากพระเจ้าเป็นเส้นที่กศนจะเศร้าหมองเสียใจแล้วก็อาจจะเกิดความคลางแคลงว่าทําไมทําดีแล้วไม่ได้ดีทําไมคนดีอย่างนางมิเรกามิเรเวถึงลงนรกพระเจ้าตอบความจริงไปก็จะเกิดผลเสียแต่ถ้าโกหกก็ทําไม่ได้นะก็เลย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 พอวันที่แปดเนี่ยพระพุทธเจ้านะทราบว่านางมริการทีวีเนี่ยนะได้ขึ้นสวรรค์ละคราวนี้พระเจ้าปเสนจุกสนมาถามพรุทธเจ้าก็เลยตอบว่าเนี่ยตอนนี้นางมริการทีวีได้อยู่ในสวรรค์ละพระเจ้าปเาสนจุกสนโอ้ดีใจมากปราบปื้มนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะเป็นเรื่องที่อ่าเป็นตัวอย่างนึงนะว่าบางครั้งเนี่ยนะ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 สัทธาในกรรมนี่มันสําคัญนะศัทธาในกรรมคือศรัทธาหรือความเชื่อว่าทํากรรมดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วหรือศรัทธาว่าคนเราจะได้ดีหรือไม่นะั้นขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามขึ้นอยู่การกระทําของตนให้ศรัทธี่สําคัญนะแต่ว่าน้องก็ต้องใส่ความความเข้าความเข้าใจด้วยที่ถูกต้องถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องนะเครื่งคึ่งกลางก็อาจจะเกิดความเสื่อมศรัทธาได้